อูในความคิดเมื่อคิดเจอรวมขึ้นมาดูดีลด้สติเปิดทา อารมต่างๆความสงบนั้นก็มีสองแบบคือสงบแบบไม่รู้เช่เกิดตืนในห้องไม่รับรู้อะไรที่เกิดขึ้นกับโลกภาย น, นอกหรือว่าติดตุปตตาเก็นตัวเอที่สงบเงบียเพื่อนอารมณ์รมกรท บ, บ, บ น, นี่ก็สงบได้ หรือว่ากิจไปปักไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมันก็ไม่ไปรับรู้อารมณ์อู่นกดีเหมือนกันแต่ว่าเรากวดจะได้รนะู้การเข้าถึงความสงบเข้าถึงรู้แต่ก็ยังอารมณ์มา สุดท้า รู้ละกวางได้แม้จะทำเพื่อหน่งดีก็รู้รู้ละกว่างไม่เพาไปคุกคามสองเทียร์ดีความน่งดีหรือพยายมามเข้าไปขัดสยด้วยความไม่ชอบอันนั้น to ก็จิตก็เป็นปกติเมื่อเป็ปกติความทุกข์มันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อยากให้มันสงบแต่ว่าก็ค่อยไปตามธรรมชาติของใจตางข้ามกับความอยากความอยากมันก็ครอบงำใจทําให้เสียความปกติไปทำให้จิตคอยจะอยู่กับอนาคตคือมองไปข้างหน้าว่า เมื่อไหร่จะได้ตรงนี้เมื่อไร่จะเกิดขึ้นเกิดความสงบขึ้นจิกนตก็ไปอยู่กับอนาคต ไ, ไปยอยู่กับข้างหน้าไปดูไม้ใบทางข้างหน้าไม่ได้อยู่กับกปัจจบันแ้วไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตลอดคืออยู่กับปัิจุบัยไมร้อมีปิิย า, า, ม, ย า, ม, ามากแล้ว ก็ไปคอบข้อก็ไปผักใส่นี่เรารู้เฉยรู้เฉยไม่ให ม, ม่ๆแต่รุณสร้างมากกว่าที่ใจใปกติแต่เราก็มพนยงบงเพราะความเืมเ่นรู้นั้เอาไว้เรื่อย เธอไม่ทรด้วยตัวก็กหนีตัวใหญ่เอองเข้ามาทำตัวพยานามก็หนีทำก็ทีคค่ขึ้นต้นไม้ตัวสามีหนีไม่ทํา ข้อควาประโยคนี้น่าสนใจเพราะว่าเหตการน้องนี้เนี่ยก็ชจอได้ดีมาก็เมื่อวานนี้ก็ติดตัวพ่อะม่สั่งกเลยไม่ถึงได้พูดกันได้คือราตอนที่ไปเล่นน้ำในที่เกาะสมุยแล้วก็ว่าน้ำไปที่อย่ การเร็ว่ก็น้ำตื moi, ้อก็ซัจากสั่งออกมาเข้าจกฝั่งมึออกใจจากฝังไปเรื่อยยามว่าเข้าฝั่งก็ว่าย้เพราะว่าสูกระแสน้ำว่ายท่าเท่าไรก็ก็ไม่ได้ผลจากจะห่างอาัเรื่อยคนที่อยู่เป็นฝั่งเานว่าจะต้องช่ดยพราะเขาพูดว่ ก็พย า, ายามก็พยายามก็พยายาายมแม่ก็ในขณะก็เลยปล่อยวางยอมไม่ไม่ยิ่ยเดียวไมเดียงป ร, ระส ง, ง, งค์เข้าทางปล่อยวางทุกอย่างพรจะตายรงนี้เนื่เพราะว่าฉันไม่ชอากสนมองท แต่ขณะที่พร้อมสัษาพาคือพร้อมกับความตายนั่นเองก็ปรากฏว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยาาออ้าเข้าฝันก็เยเป็นการอกตาย รู้ว่าเองถูกัตอกตี้ได้แลต็อกตี้นี่ก็ผงจะคงใจจะไม่ลอในช่วงขนาดนี่ย็อกตีรู้สึกโตขึ้นมาได้ ทีนี้แมว่าโชคดีมากที่ไมายตอนหลังก็แต่ก็อพอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเพราะว่าตอนที่ตานตัวปลอดภัยมั น, นทำให้ช่วยให้ไม่สิเชิงเวลากระแทกเพราะาเจออะไลากระแทกในขณะี่ตัวเกรนเนี่ยก็จะต้องคอหักหรือแั้แต่รว่ า, าเอาว่าคนแยกติดผมดิ้เสียหาย แต่ ว, ว่าไม่ใช่ใจให้มาเลยเขาว่าทำตัวนอนวว่อนเพราะค่อนคลายที่สำคัญก็อเว่าต้เป็นตายอยู่นะนี้ก็สอนนักประพันธ์อาจารย์ในวันแอกคนช า, ายก็ทำทำตัวเป็นตายแต่ก็มการมิเตอร์ขึ้นอยู่อยู่อยู่หลายครั้งหลายคนที่ในสภาวะที่กใกล้ตายนีพอพอความนาสัมผัสเนี่ย ความสมบูเย็นแล้วก็ความเย็นทุกครั้งมันก็จะช่ยใรอดได้แต่ส่วใหญ่แล้วเนี่ยพอเจอแดดมันก็จะตื่นตกใจไม่มีสติแล้วก็พยายามต่อสู้ที่ร่มเพื่อได้มีชีวิตรอแต่มันก็หน้าแปลกว่ายิ่งดจะยิ่งแดจะรอดก็ ก, กลับไม่น่รอดแต่พอพอเจอไฟก็กับ เพราะว่าทา่านเป็นคนตานี่ที่พูดตาก็เป็นเรื่งของคนที่เรียกว่าเจ้าลิบิกรบทารราแล้วก็แน่นี่ไม่เืเีนน่ยวก ก็เป็นลูกแต่รักษาบ้านอย่ากนะว่าฉันจะเป็นชาย่งก็จะของตนเป็นโสภีแหละอย่าลวมนะว่าจะเริ่มจะเริมกระทำพระคุกระทำระคุณ ผ, ผสมผู้ดีใจผสมก็จะดมมมมิ้นรนมาทำบุญที่บ้านแล้วก็จะกระทำดิ้นรนมาแสดงธรรม อย่าห่วงว่าฉันจะไม่ทำเสียงให้บริบูก็จะต้องจะต้อง ม, มั่นคงในเสียงอย่าห่วงนะว่าจะไม่รู้จักทำความสงบใจอย่าไปหวงว่าจะคุ้นตัวไม่ยากได้ศิลปธรักษาใจจะช่วให้ให้คลายในเรื่องาราวเนี่ยที่เราเลื่อนที่เรื่องเป็นเรื่องไป จนกาะทั่งนักวิจายเนี่ยก็หายกังมดเกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเพก็แปลว่า มีภาพเสวรารุกนีป่ว ย, เ ป, นนปยเป็นคนที่ปกติ็เคนที่ปอยอยู่แล้วราะว่าในช่ ว, นนนะวนงนั้นเ่ป่วยนะป่วยดยโรคซึ่หาดสารเสพติดโบคเามาส่งแล้วกพยานช่วยหาไปหาหมอมาดูแลใจใสหมอที่มาดูแลก็มีทั้หมอทัหมพยาบา แล้วท่านก็อาจารก็ไม่ดีขึ้นภายในการท่านเทาจะดีขึ้นก็ตัดสินว่าจะมาเลี้ยงเขาหรือว่าจะไปหาสุนัขอื่นมาเล้วงก็ได้ จะไปห่วมกับวพวกเราจะไปพยายามที่ลงที่จะรักษาตัวฐานถ้าท้องตายก็ตายอย่างสบายใจเพราปนว่าเจอหน้อยเจลหน้อยพาลูกนี้ก็ดีขึ้นถ้าสุดท้ายาก็หายนะตอหลังท่านก็ลาสุด ข, ข่ายไปแล้วก็ ได้ขอไปสอนไปใหแต่แม่ทาอะไรเขาเล่นลูกตอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าทำไมนนพออาจากย์เมโทะพูดเนนั้นเนี่ยก็กกิดุฏิกิริยาขึ้นก็อมีคำอธิบายว่าเ็เพราะว่าทีแรกท่า น, นต้อยาที่จะ่อนสูนส้กับคนอัายฤษ รู้สึกผิดที่อยากงนแต่ความรสุกดเนี่ยมันก็ไปทำให้สุขภาพร่างกายแย่ไปด้วยโดยสมัโบ เ, เนี่ยทให้ท่านเนี่ยความใครความ้สึกผิดดถ้าจะตายก็ตายไม่ต้องรู้สึกิดอะไรพราะรู้สึก่นีก็พอร้สว่าเกตาย ไ, ได้ยังไม่ต้องด่วอะไรเนี่ยมันก็มจะร่วงงล้ยงผู้เฒาลงผู้่เนื่งนองจากจิตใจ่ามนจะช่วยาให้ให้สุขภาพ คือย่อพร้อมจะตายแล้วนี่ยแตก่อนไม่พร้อมจะตายก็ห่วงใจเพื่อนเตรียมใจเพื่อนแต่เขอนุญาให้ตายได้พร้อมจะตายก็กลับไม่ตายที่เนีบางครั้งก็เป็นอย่านี้แต่ในความเปนจริงแล้วอแม้ว่าพร้อมจะตายแล้วแต่ว่าถึงเวลาก็ตายไม่สามารถที่จะเอาชนะความเจ็บปวดได้ แต่ว่าท้าที่างเที่ตายด้วยการป่อยวางก็ปายสมดไมเปเมดทุลย์ทุลายอันนี้เป็นเรียกว่าชนะาการตาย ไ, ไปแล้วเพราะคาตายเนี่ยมจะทำให้คนเราเสื่อมทุลย์ทุลายแต่เมื่อทำใจละตายร้อนจะตายด้วยปล่อยอวา ไม่เวนแผไม่อะไรชีวิตม่ยึดติดในสิ่งดตาเอ็นปายตายสมุที่เรื่องอย่าวปตายเนรกว่าความตาทําให้ตุลุดทุลาไมได้อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าคนตายงคืออยู่นือคนที่อำนาจของความตาที่ทาให้คนตัวไปทุลุดทุลาเป็นปูน มาพิจารณาที่ข้าราการมีรื่องต้ว่าคนตายก็้อตัวจะคนตายาตามัมีความหมายชั้นหนึ่งในชั้นที่สามแล้ว ก, ก, ก็คือว่าทำเป็นคนตายในนี้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้นะาะคนายแน่นี่ไม่ได้ห ม, ม, ม, ม, ม, มความว่าปล่อยวางสิ่งต่งางๆเข้าไปได้ทุกเแต่เความหมายที่เกิดมา้ว่าคือตายจาก ความยิ่่ตัวตนอันนี้เราเห็นมาคือตายจากความเป็นฉันอันนี้เราเป็นกนารพาตัวตัตาที่ที่ที่ละเอียดที่สุด <c oughs> ตรงนี้เนี่ยพอไอ้ตัวตนที่เคยยิ้มางหัวบานันตายจะเริ่มตายากตีเด็ดตายจความที่งใหญ่ในตัวตนตัวฉันตายไ ป, ไป ในวิถีนี้นเนี่ยก็เลยว่าความตายก็ทำไงไม่ได้แล้วว่าไม่ตายเลยคือมีแต่ความตายแต่ไม่มีฉันพูดตายและตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือไม่มีฉันไปพูดตายแล้วก็ว่า ตัวฉนันมันไม่มีขั้ตะนตอแรกแล้วจะต้องมีความตาเยเกิดขึ้นได้อย่างไร mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นคือการหมดลมแ ล, ล้วก็ละสังขารไปมันก็เป็นเพียงแค่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสา ร, ราที่ไม่รบกวนเนื้อที่เราเรียกว่า เสี้ ย, น, ย, ย, น, ยมมน่ยเราก็เรียกว่าแตแ่าแต่เปีนสรรถนจะมีตัมีของผู้ที่ตายแต่ตัวตรงตางยแต่กิเลียงอันนี้ ตัวที่อ่ายู่ใน เพื่อที่ทุกยุทธที่จ ะ, จะไปไปทำได้แต่ว่าให้เราพยายามที่จะพยาเข้าใจขั้นหน้าในการปฏิบัติสู่ขั้นที่สามก็คือการตายกับคามตรวคนให้รู้ ให้เข้าพันในสัตวที่ตัวคนที่เราชอบแสดงอาการการตายการจิดการจุดไฟรู้ให้ตายกบตัวคนเราเป็นสิ่งที่ต้องจุดในชีวิตประจำวันอยู่เสมอจนเมื่อเกิดอาการทุกในการระหว่างปฏิบัติ เพราะว่าในารปฏิบัติของการศึกษาปฏิบัติานนี่ทุกครั้งที่เรามีสติคลองใจมันจะช่วยทำให้เราหลุดจากความหลุบตัวตนเกิดอารมมาเมื่อเมื่อการอบรมเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นหนึ่งชั้นสอง มันก็ไม่ใช่แค่ศาสนเป็นผู้หนึงด้วยแล้วเมื่อเวทย์ชนาเปิดพูดมันก็ไม่ใช่เวย์ชนะเปิอูดเพีงเดียวเมื่อมีสติก็เป็นผู้บวกพูดเสร็จีผู้ตุกตามมาด้วยไม่ใช่เย์นาเกิดพูเพยวมื่อมีสติความเป็นต้ของเวทย์ชนะันก็เกิดสึนตมมาแล้วก็กพุมกันสุบคามระชุาสุปัามีปัญาเติดพู้แล้ว ไม่มีสก็กลายนผู้ายากผู้ไม่ยากความเสี่ตัวจันทร์เพิ่ขึ้นุ์ที่ไม่มีสติในระหว่างทีงเเ่เกิดภัตตาหรอเกิดเวทนาเกิดปัญาแต่ถ้าเป็นขั้าปัญหาแล้วก็ยากที่สติหรือวาอยากที่จะละความดีนตัวตนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นพบเหตุสร้ต่อไป ปฏิบัติเนี่ยเราลองปฏิบัติลองสังเกต ด, ดูเนีเมื่อเราสังเี่เรามีสติในการเดินในการเดินในกานัหรือสติในารที่เกิดสติที่ต่างเกิดขึ้นเมันจะสั ก, ก, สกแต่ว่าเกิดมันจะมีสักต่ว่าีรแบบว่ามนมีตัวฉันที่เป็นตูวทำโน่นู้ทำนี้ผู้มีตัวฉันผู้เกิดมีตัวฉันผู้สึก จะเป็นตัวเป็นบุตร์ลายตัวต่ัวตนอันนี้ก็เมื่อครัที่พระองค์แสดงทําแสดงทํากวกับภารานเวลาพจริานี้ก็เป็นเป็นผู้ที่มี่จสอหาผีกทั้สอนผู้ที่เรื่งวชแต่เราก็ไม่มีทางที่จะได้วเพราะว่า เกิดถูกโกิายิก่อนแต่ว่าก่อนที่าาจะเกินกๆๆดนั้นก็ได้ฟังธรรมะจะกพุทธาจ้าย้ําบทย่ํารบเลาโพลตัวใหแสดงธรรมในครั้ที่ลงหลังบ้านโลกุปเส็งสามครั้งอายาก็ก็้ยการในสตความธรรมพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมตั้งตนวา่าเมื่อเกิดก็สตัวเห็นเมื่อดีก็สกตวได้ดี เม่อประสบการ เ, าเปลี่ยนแปางเมื่อเมื่อรู้ในอารมณ์ก็สตวรู้ในอารมณ์เมื่อไม่มตัวตนไม่มีตัวน ไ, ไม่มีทั้งในโลกนี้ในโลกน้ำและในโลกโลกสองนเรียกว่าก็จะเรารู้ถึงก็จะอยู่พ้จากความ ท, ทั้งปวงือข้อสิบห้าตรง น, นี้ พระงได้ย okay. ้ำว่าผู้ระกาที่ม่สติในภาษาขอวอตัวฐานเรื่อความรูเสึกควาสทธตัวตนก็จะไม่ปรากเพราะนี้คเกิดเราถ้าเราเจอสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่การปฏิบัติและการทดลองประจําวันที่ก่อนที่ในตัวตก็จะบรรเทาต่าบางไป แต่ว่าวิตประจวันเราต้องเกอสิส่งต่าๆ ม, มากมายที่ากระทบททให้เกิดความโกเกิดความไ่เกิดควา ม, วา ม, มนี้ตรงนี้เราจะต้องใช้สติให้รู้เท่าทันในความรู้สึกแะอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นวแล้วก็รู้เท่าทันว่ามันแสดงอา ก, การอย่างไรเวลาถูกตัณฑ์ สมัครตาเกิดเต็ก็จะออกมายขึ้นมาแต่ว่าฉันทำไมแต่ว่าสันทำไมตัวฉันเกิดขึ้นมาที่ตุกตมแต่ถ้าหาว่าเราฝึกที่จะไม่ปล่อยให้อัตราหรือตัวฉันเนี่ยมันออกมาเป็นภาพ้่างแยกดังนั้น ก็ได้ เมื่อจะทำอะไรก็จะไม่ถามว่าทำแล้วจะได้ไมแต่ก็ถามว่าสิ่งีถูกไหมแล้วว่าโซจะได้นันคือเอาเอาธรรมะเอาคามเอาไป็ตัวเปนตัวสร้างถ้าเราถ้าเราเอาธรรมะเอาประโยชน์เอาตัวเอาวาสามันก็จะไม่เกิดามตาเยเข้ามาเป็นเจ้าพแล้วมันก็จะค่อยลดลาคามี่ันขึ้น เวลาฟังบางคนเนี่ยฟังคำว่าฟังเท่เสร็จ แ, แล้วก็จะไม่พอใจขึ้นมาเพราะปหาว่าผู้เท่นี่ยกำลังว่าสวกนี่ก็เลยออกตามของอห น, านนะ้าอย่างที่เขาพูดมาที่จะแสดงธรรมวิารไวและก็เอามาใช้กับกตัวได้่ว่า logramos. เงินี่เรสามารถุกไดนประจนอกอจากการก่างจยการกใหเารยก็เยวีะกจาว่าถ้าเราต้องาเราจะลดปล่อยวางตนน้ำเพ yellow, ำื่การกรกใีวิตประจนเอาันตามาเป็นมาเป็นมาเป็นประเด็นาเป็น กระตุ้นให้เกิดไม่เล่นเทีย่ยง่อยวาอันนี้นก็เป็นเรื่องแต่ว่าเราควรจะฝึการปล่อยวางในตัวตนที่การไม่เอาผัดตาตัว ต, ว ต, ว ต, ว ต, วตวนออกมากทุกครั้งที่มีสิทธหลังการมกระทบให้ผัดใจและสิ่งที่เราเรียกว่าพอบใจไมันพอใจ ิที่สุดได้นี้มันก็มีพื้นามาจากความเอาการ เ, เอาตัวตนเป็นที่ตั้งถ้าถูกใจฉันก็ดีถ้ามันถูกใจฉันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเรียนถุกโ <c oughs> ดยความลดทอนเอาธรรมเอาความถูกต้องเอาปย์เป็นหลักนี่มันจะเป็นการถึก ให้เรามีสติที่จะรู้เท่าทันผู้ปฏิบัติตาตัวตวนมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะโยกไปถึงเรื่องของการเกิจักเจ้าของหรือความเป็นนั่นตนนี้ซึ่งอัตตาตัวตนเนี่ยก็มักจ ะ, กจ ะ, กจะกัวยมาที่เรื่งตามอิทิของตัว รวมทั้งพิษอะไรต่งรางๆมาเป็นตัวเป็นตนรวมทั้งปัจเป็ น, นั่นเป็นนีนะ่ที่ราพบว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของ